ขอความสุขความเจริญจง ม, มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้นำเอาข้อความในธรรมประทัตกถาซึ่งเป็นลักษณะของพระสูตรที่แปลกออกไปจากสูตรดงดิมคือในพระบาลีนั้นจะเขียนไว้เฉพาะตัวคาถาเพียงอย่างเดียว ต่อมาพระอัตถกถาจารย์ก็จะนำเรื่องซึ่งเป็นปฐมเหตุให้ทรงแสดงคาถาเหล่านั้นมาบรรยายเราเรียกว่าพระธรรมบทซึ่งในส่วนของคาถาพระธรรมบทนั้นก็มีอยู่400ร้อยกว่าพระคาถาเป็นตำราพระพุทธศาสนาที่พิมพ์เผยแพร่มากที่สุดคือเผยแพร่ไปทั่วโลก และมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดกระตุ้นความสนใจของชาวโลกคือทั้งโยุโรปอเมริกาและเอเชียนั้นให้หันมาสนใจพระพุทธศาสนาเป็นอย่างสูงแล้วก็มีการแปรบออกไปด้วยภาษาต่างๆเป็นอันมากดลยเกินเพราะเมื่อเอาเฉพาะตัวคาถาไปแล้วก็จะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆใส่กระเป๋าไปไหนมาไหนได้ แล้วข้อความแต่ระบทก็มีความสำเร็จอยู่ในตัวเองคือหมายความว่าปฏิบัติเพียงที่สรงแสดงไว้อาจจะสองบรรทัดสาบรรทัดสี่บรรทัดแต่ก็จะไม่เกินสิบสองบรรทัดบุคคลก็สามารถสัมผัสผลตามที่ส่งแสดงเอาไว้เฉพาะในวันนี้ก็จะได้กล่าวใน คาถาที่เริ่มต้นคือบทแรกของพระธรรมบทเป็นคาถาที่เคยได้ยินได้ฟังกันอยู่โดยทัท่วไปท่วธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่เสม็จมาแต่ใจต า, ากว่าใจของคนถูกประทุสร้ายจากกิเลสคือถูกกิเลสครอบงำแล้วเขากระทำก็ดีก็พูดก็ดี ผลคือความทุกข์จะต้องติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนลออกเกวียนติดตามรอยเท้าโคตัวทีลากเกวียนไปฉะนั้นข้อความที่เป็นพุทธภาษิตข้อ น, นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปราบพระจักคูปาลทีระให้แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเมื่อประทับจูณพระเชตวันเมืองสาวัตถี มีข้อความอันเป็นเบื้องต้นว่ามีกุดุมพีท่านหนึ่งไม่มีบุตรไม่มีธิดาแต่มีโภคะมากมีสมบัติมากมีคาถาปริวานก็มากวันหนึ่งท่านเที่ยวไปในป่า ก, ก็ไปพบต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มรื่นแก่สถานชีดเหล่านั้น ก็ได้ความเชื่อถือความปักใจของท่านว่าต้นทรายต้นนี้เฉลอยจะเป็นที่สิงสถิตของเทวดาผู้เป็นเจ้าป่าก็ได้ท่านจึงได้จัดการตกแต่งปัดกวาดบริเวณต้นทรนยนำน้ำมารดปักธงขึ้นแล้วก็ทายมาเกลี่ยบริเวณตั้งความปรารถนาว่าถ้าหากว่าข้าพ เ, เจ้าจะได้ลูกชายหรือลูกหญิง พระเจ้าจะทำพิธีบวงสวงให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกต่อมาปัญญาของท่านก็ได้คลอดลูกชายคนหนึ่งท่านถือเอานิมิต ท, ที่ลูกชายนั้นเกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าเทวดาประจำต้นสารักษาคุ้มครองจึงให้ชื่อว่าปาละที่แปลว่าผู้อันเทวดารักษาคุ้มครอง ต่อมาภัญญาของท่านได้เกิดลูกอีกคนหนึ่งก็ด้วยความเชื่ออย่างเดิมอีกท่านจึงชื่อว่าปาระอีกปาระสองปาระขึ้นมาคนพี่ก็เปลี่ยนเป็นมหาปาระคือปาระใหญ่คนน้องก็เป็นจุลปาระจุลปาระเล็กต่อมามานดาบิดาทั้งสองก็ตายไปลูกคนลูกชายสองคนก็รับทรัพย์มรดกแล้วก็แบ่งปันกัน เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้สัตวรูพระอนุตตรสมาสัมพชิยานแล้วทรงแสดงปฐมเทศนาคือธ ร, รมกัจัก ร, รวตตรตดิศาสนที่อิสิปตนมฤรุกธายาวันแล้วก็เผยแผ่ศาสนาไปโดยลำดับเที่ยวไปเที่ยวจาริกไปในคามในคมชนบทราชธานีต่างๆทรงแสดงธรรมะอบรมสั่งสอนประชาชนให้ได้รับประโยชน์จากธรรมะในชั้นต่างๆ แล้วในที่ทั่วทั่วไปของสุภูท ว, วีปคือในท้องถิ่นเป็นนั้นมากพระโบราณอาจารย์ยังได้เล่าถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับมาที่ประเชตะวัน19พันษาที่ปุภาราม6พันษาที่นิโครธารามซึ่งประญาตทั้งสองสกุลสร้างถวายอีกหนึ่งพันษาประชาชนในถิ่นต่างๆ ก็นับถือพระพุทธศาสนากันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในกรุงสาวัตถีคือในแคว้นโกศลเองนั้นมีอยู่เป็นนันมากนับถือพระพุทธศาสนาจะถึง5ส่วนใน7ส่วน แ, แสดงว่าพระพุทธศาสนาได้อย่างรากลงมั่นคงในแคว้นโกศลแคว้นอังคะแคว้นมคตวัชีมัลละเป็นต้น ตามปกติแล้วประชาชนก็จะไปฟังพระธรรมเทศนาในพุทธสํานักในตอนเย็นซึ่งส่วนมากแล้วก็มีมือถือดอกไม้แของหอมเป็นต้นไปมีนอกจากบุคคลพิเศษสองท่านที่เคยกล่าวมาแล้วถือท่านอนาถบิติกะเศรษฐีกับนางวิสาขาท่านทั้งสองนี้จะต้องมีของไปถวายพระด้วย คือไม่เคยไปมือเปล่าหรือถือเพียงดอกไม้ทุกเจียนไปแต่จะมีบริวาร น, นำเข้าของต่างๆไปถวายพระตามทุ้งควรเกตการคือตอนเช้าก็เป็นจพวกอาหารตอนบ่ายก็เป็นพวกน้ำปานะวันหนึ่งมหาปาละได้มองเห็นคนทั้งหลายเดินแถวไปเพื่อฟังธรรมก็สอบถามทราบความว่า จะไปสู่ประเชศตะวันเพื่อฟังธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าก็ขอร้องให้ชนเหล่านั้นรอ ก, ก่อนบอกว่าข้าพเจ้าจะไปด้วยแล้วท่านก็ไปกับชาวบ้านเหล่านั้นตามปกตินั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพุทธกิจอยู่ประการหนึ่งหรือตอนใกล้รุ่งท่า น, นใช้คำมาเลยว่าปั จ, จุตเสวะกะเตกาเลพระพาพระเพวิโลกนงัง หือตอนใกล้รุ่งของแต่ละวันทุกๆวันพระพุทธเจ้าจะสรงใช้พยานคือทิปะจักสุแผ่ไปในสถานที่ต่างๆเพื่อดูคนที่จะสามารถรู้ธรรมบรรลุธรรมที่พระองค์ทรงสดแสดงได้ก็เรียกว่าคนมีวาสนาบารปีคนเหล่านั้นก็จะปรากฏในขายพยานของพระองค์ แล้วพระองค์ก็จะแสดงธรรมะไปโปรดตามสมควรแก่พื้นอัธิยาศัยของเขาซึ่งก็แตกต่างกันแต่ในกรณีที่มีคนมาฟังกันเป็นปกตินั่นก็จะทรงส่วจดูในวงแคบคือวงของพุทธบริษัทเหล่านั้นว่าใครที่มีบารมีแก่กล้ามากพอจะบรรลุมรรคผลได้หรือจะถึงพระัยสนาคม หรือจะได้หลักยิดเนี่ยวทางใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่การแสดงบางครั้งจึงเจาะเอาที่คนใดคนหนึ่งในคนเป็นจำนวนมากเท่านั้นคนอื่นก็รับผลเพียงพลอยได้คือไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันอะไรนอกจากคนที่ทรงเห็นอุปนิสัยเท่านั้นในวันนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยของมหาปาละ ป่าท่านผู้นี้มีอุปนิสัยจะบรรลุอรหรันตเป็นพระอรหันต์จึงเริ่มไต่อันดับพระธรรมเทศนาไปจากทานแล้วขึ้นไปที่สีลขึ้นไปที่สวรรค์ไปแสดงโทษของกามไปแสดงอานิสงส์ของการออกจากกรามแล้วก็หมวดลงที่อริยสัจ ท, ทั้งสี่ประการซึ่งบาลีใช้คำว่าผู้ลานุสาสนี คือพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงมากที่สุดตลอดพระชนมนชีพของพระพุทธเจ้าคือฟอกอัตยาสายัยไปเรื่อยอย่างที่เคยกล่าวมาในตอนที่ว่าด้วยอนุบุปิเกถาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเดินเก้าขั้นเสมอไปคือบางครั้งอาจจะไปขั้นเดียวสองขั้น3ามขั้นแต่ว่าถ้าคนที่มีอุปนิสัยบา ร, รมีจะบรรลุมรรคผลแล้วจะขึ้นครบ9้าขั้น ท่านมหาปาละได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วเกิดพิจารณาเห็นว่าพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงนั้นถ้าจะทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์หมดจดจริงๆแล้วเป็นคารวะทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ต้องบวชก็รอจนชาวบ้านกลับหมดแล้วก็เข้าไปฝ้าพระพุมีพระภาค กราบทูลขอบรนประจาผู้สมบทในพระพุทธศาสนารับสั่งถามว่าทางบ้านมีใครที่เธอจะต้องไปลาบ้างท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็มีเพียงน้องชายคนเดียวก็รับสั่งให้ไปลาน้องชายซะก่อนแล้วค่อยมาบวชมาบาละก็ไปบอกแก่จุลปาระผู้เป็นน้องชายว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดไม่ว่าเคลื่อนที่ได้หรือเคลื่อนที่ไม่ได้ก็ตามพี่มอบให้เป็นของเจ้าทั้งหมด น้องชายก็ตกใจเรื่องอะไรแล้วถามว่าพี่จะไปไหนบอกว่าพี่จะบวดน้องชายบอกไม่ได้หรอกเมื่อตอนพ่อแม่อยู่เราก็อยู่กันสงคนพี่น้องตอนนี้พ่อแม่ตายแล้วพี่จึงเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ของน้องก็ขอให้พี่อยู่ที่บ้านเนี่ยแหละทำบุญทำกุศลให้ทานรักษาศีลไปก็สามารถที่จะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้ พี่ชายก็บอกไม่ได้หรอกธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงมีนัยยะสุ ข, ขุมลุ่มลึกละเอียดมากพี่มาจครองเรือนและปฏิบัติธรรมได้น้องชายก็บอกว่าก็ให้รอก่อนดีกว่าคือใพี่แก่ๆ ก, ก่อนค่อยบวชตอนแก่พี่ชายก็ให้เหตุผลว่าคนเราเมื่อยามที่แก่เท่าลงนั้นถูกเชรากำจัด อิพละกําลังทั้งส่วนร่างกายและจิตใจแม้มือเท้ากันตัวเองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้และพี่จะอาศัยร่างกายโสมๆอย่างนั้นประพฤติพรหมจรรย์ได้ยังไงและในที่สุดน้องชายก็อ้อนวอนด้วยวิธีการต่างๆกระทั่งก็ไม่ยอมในที่สุดก็ต้องยอมให้ปวด เมื่อท่านบวชแล้วก็เข้าพ่อพระผู้มีพระภาคเจ้าฟังธรรมอยู่เสมอพอได้หลักในการที่จะประพฤติปฏิบัติแล้วก็กราบทูลถึงจุดสุดยอดของพระพุทธศาสนาว่าจะเดินกันยังไงพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าในพระพุทธศาสนานั้นมีธุระคือข้อที่จะต้องประพฤติปฏิบัติอยู่สองประการเป็นหลักหลักแรกก็คือการถะธุระ ได้เกี่ยวการศึกษาเล่าเรียนให้เกิดการจำทรงความเข้าความเข้าใจสามารถบอกกล่าวสามารถชี้แจงสามารถแสดงแก่บุคคลอื่นได้นี่เรียกวการถัตุระอีกอย่างหนึ่งก็คือวิปัสสนาธุระเป็นการศึกษาเรียนรู้ถึงความจริงแห่งนามรูปใช้ปัญญาพินิจพิจารณาดูนามรูปยกขันห้าขึ้น พิจารณาตามหลักของประจัยลักจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงในขันทั้งห้าประการและสามารถทายถอนตนาอุปาทานในขันทั้งห้าประการลงไปได้นี่ก็เป็นจุดมุ่งหมายของวิปัสสนากรรมฐานท่านก็บอกว่าข้าพระองค์นั้นบวชตอนแก่แล้ว จะไปเล่าเรียนจำทรงพระปริยัติธรรมในลักษณะนั้นก็คงทำให้ได้ขอให้พระภูมีพระภาคเจ้าได้โปรดแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์ซึ่งเมื่อข้าพระองค์ประพฤติปฏิบัติแล้วสามารถที่จะนำเอาอารหันต์ไว้ในมือได้คือบรรลุอรหันต์ได้พระภูมิพระภาคเจ้าก็ส่งแสดงสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่คล้อยตามจริตของท่าน เมื่อท่านได้ศึกษาจบ ก, กระบวนความแล้วก็ชักชวนเพื่อนฝูงรวบรวมกันได้ทั้งหมดก็60รูปชวนกันเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีประชาชนอยู่กันเป็นหย่อมใหญ่ตกเช้าก็เข้าไปบินธบาตในหมู่บ้านชาวบ้านเห็นข้าวก็เกิดความศรัทธาเลื่องใสในยาบทของท่านเหล่านั้น ก็เรียนถามว่าพระคุณเจ้าจะไปที่ไหนกันท่านก็บอกว่าจะสแสวงหาสถานที่วิเวกเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมะชาวบ้านก็เกิดศรัทธาขึ้นมาว่าขอพระคุณเจ้าทั้งห0สิรูปจำพรรษาที่นี้เถอะพระคุณเจ้าจะไม่เดือดร้อนด้วยอาหารมินตบาดและโยมเองก็จะได้ฟังธรรมจะได้รักษาศีลในสานักของพระคุณเจ้าด้วยคหมายความว่า ก็ได้อิงอาศัยกันทั้งสองฝ่ายท่านทั้งหกสิรูปก็รับคำพอถึงวันเข้าพรรษาพระมาปาละก็เรียกประชุมเพื่อนทั้งหมดอีกห9รูปบอกว่าพวกเรานั้นมีโอกาสพิเศษหรือเกินที่ได้ศึกษาแลวเรียนพระพุทธวจนะมาจากสำนักของพระพุทธเจ้าในขณะที่ยังดำรงพระชนอยู่ ขอพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเพราะคนที่ประมาทนั้นเหมือนกับการทำอบายให้เป็นเรือนที่อยู่อาศัยของตอนเองแล้วขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติสมนธรรมด้วยกัน <c oughs> แล้วก็บอกว่าส่วนเรานั้นจะอยู่ในอิเดยาบทเพียงสามอิเดยาบทเท่านั้นคือยืนเดินนั่งจะไม่นอนตลอดใส่มาดนี้ ท่านรูปอื่นก็สมาทานทุ ด, ดงกันไปตามฐานะพระจักกุบะพระมหาปาละก็เริ่มบำเพ็ญเพียรก็เรียกว่าเนสัจิกะทุดงคือทุดงที่ถือไม่นอนตลอดไม่นอนเป็นวัดเดี๋ยวจะหลับก็นั่งหลับเอาบำเพ็ญเพียรกันด้วยความตั้งใจจริงเอาจริงเอาจัง ชาวบ้านเองก็เอาใจใส่ดูแลให้การสนับสนุนสารทุกสุขดิบของพระเหล่านั้นมีนายแพทย์คนหนึ่งเห็นว่าพระมาจำพรรษาอยู่ตั้งห0สบรูปก็อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บจึงเข้าไปปราณนาว่าถ้าพระคุณเจ้าเก็บไขได้ป่วยอะไรก็ให้บอกกระโยมโยมจะช่วยรักษาให้ เ, เป็นนั้นว่า ในด้านอาหารก็ไม่เดือดร้อนด้านชีวิตก็ไม่เดือดร้อนด้านเครื่องนุ่งห่มก็ไม่เดือดร้อนด้านยาแก้โรค ก, ก็มีคนรับรองอยู่แล้วท่านเหล่านั้นก็ได้สิ่งที่เราเรียกว่าสัปปายะคือปัจจัยสนับสนุนให้เกิดความสะดวกสบายที่จะประพฤติปฏิบัติสมณธรรมพระมหาปาระนั้นบำเพ็ญเพียรโดยการนั่งอย่างเดียวพอมาถึงกลางวันษาท่านนั้นได้เรื่อง ตาท่านเริ่มมีน้าตาไหลเป็นสายลงมาเลยตามปกติตอนเช้าพระจะเตรียมไปบิณฑบาตก็จะมาบอกท่านซึ่งเป็นเทระท่านก็ออกมาครองจีวร อ, ออกมาเพื่อนเห็นข้าวสอบถามทราบความว่าคือท่านบอกแต่ว่าลมเสียดแทงตาท่านเพืเ่อนๆก็แนะนาให้ไปหาหมอคนที่มาประนาว้ หมอก็มารักษาให้เป็นอย่างดีให้ยาให้ยอดซึ่งอาจจะเป็นการยอดยาที่แปลกคือยอดที่จมูกไม่ใช่ยอดที่ตาพระเทร่าก็นํายามายอดแต่เนื่องจากท่านนั่งยอดยอดไปแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่ความเสียดแทงเพิ่มขึ้นหมอก็ไปเวียนไปเวียนมาดูอาการอยู่ไม่เห็นมันเปลี่ยนแปลงสอบถาม ท่านก็บอกว่ามีการเสียดแทงสูงขึ้นแล้วถามว่าพระคุณเจ้านั่งหยอดหรือว่านอนหยอดท่านนั่งเฉยท่านไม่ตอบเสร็จแล้วหมอก็พยายามพูดเตือนให้ท่านตอบท่านก็ไม่ตอบหมอก็แอบไปดูในที่อยู่ของท่านก็เห็นว่ามีที่อยู่สามแห่งคือยืนเดินนั่งหาที่นอนไม่เจอเมื่อสอบถามทราบความว่าท่านไม่นอนหมอก็บอกว่าพระคุณเจ้าร่างกายเนี่ย เราจะต้องรักษาเอาไว้หากว่าร่างกายมันเกิดแตกดับไปสมณธรรมก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรือท่านอาจจะไม่สามารถบรรลุสมณธรรมที่ท่านต้องการได้ขอให้ท่านนอนหยอดยาเถอะเอพูดไปพูดมาก็ไม่ตกลงกันในที่สุดท่านก็บอกว่าประเดี๋ยวมาจะลองปรึกษากันดูก่อนไปสิ่งที่เรียกว่าท่านปรึกษานั้นคือท่านปรึกษาการรัชกายคือปรึกษาท่านเอง ถามใจท่านดูเองก็เริ่มเป็นการสอบถามมาดูก่อนปาละเธอบวชมาในประธรรมวินัยนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ยังทรงประชวนอยู่ก่อนข้าปรรษานี้เธอกออธิษฐานว่าจะไม่ยอมนอนตลอดชีวิตตลอดตลอดไตรมาสนี้เวลานี้เธอจะรักษาตาหรือว่าจะรักษาอธิษฐานให้ตอบมา เสร็จแล้วนั่นก็ตอบตอบเองนะตอบเองว่าตาของเราจะเสื่อมไปจะสุดโทมไปจนถึงกับจะแตกดับไปแม่ร่างกายนี้จะต้องตายลงก็ก็ก็ตามแต่เถอะแต่เราจะรักษาธรรมะเอาไว้ในที่สุดก็นั่งหย่อตาเหมือนเดิม หมอก็มาหาอีกก็ยังเห็นว่าเหมือนเดิมสอบถามว่ายังไม่ได้นอนหย่อตัวอีกหมอก็น้อยใจบอกว่าเมื่อพระคุณเจ้าไม่ทําความสวัสดีให้แก่ตัวเองไม่รักตัวเองเช่นนี้โยมก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาอย่างงี้ก็แล้วกันคือตั้งแตว่วันนี้เป็นต้นไปจะไปบอกว่าผมเป็นหมอรักษาท่านก็แล้วกันเนะสียเด่มพระจักรคูบาลพระ หาปาละตอนนั้นยังไม่เรียกว่าจักขุ ป, ปาละเรียกว่ามหมาปาละท่านก็มาปรึกษากับตัวเอ ง, องทีราดูก่อนปาละเธอนะหมอจิ้งจะแล้วนะทีนี้เธอจะทำอย่างไรเธอจะรักษาธรรมะหรือจะรักษาชีวิตไปแล้วก็เสร็จแล้วก็ปรงใจตัวเองว่าเธอจะต้องไม่ประมาทคือต้องรักษาธรรมะไว้ให้ได้ กำแพงเพียนต่อไปจนก่อนจะออกพรรษาหน่อยตาแตกพร้อมกับบรรลุอรหันต์พอดีเดี๋ยวพร้อมๆกันเขาเรียกว่าไม่ก่อนไม่หลังกันตาก็แตกกิเลสก็ดับแต่เป็นพระอรหันต์ประเภทเรียกว่าสุ ข, ขวิปัสสกคือเป็นการกิเลสมันหมดไปเฉยๆแต่ไม่มีคุณสมบัติพิเศษอะไร มีแต่เฉพาะบริสุทธิ์คือส่วนบริสุทธิ์นั้นมีแต่ส่วนปัญญาความรับรู้ต่างๆอย่างพระอารหันต์ทั้งหลายประเภทอื่นนั้นก็ไม่มีรุ่งเช้าเพื่อนมานิมนต์เพื่อจะไปบินธบาทท่านก็บอกพวกคุณไปเถอะแล้วถามว่าแต่ท้ามไม่ไปท่านบอกผมตาแตกซะแล้วตาบอดซะแล้วภิกษุเหล่านั้นก็ตกใจเข้าไปดูก็ขอร้อง บอกว่าปลอบใจว่าพราะท่านท่านไม่ต้องเดือดร้อนพวกผมจะบำรุงท่านเองก็มีอยู่ตั้ง59องค์เมื่อไปบินตบาทญาติโยมไม่เห็นท่านก็สอบถามทราบความเช่นนั้นก็ต่างก็มากันส่งอาหารมาร้องโ h มร้องไห้กันแล้วก็รับเป็นโยมอุปถาการบำรุงท่านก็เรียกพระอีก59รูปมาให้อวาัให้รีบเร่งปฏิบัติ บ, ต บ, ตบำเพ็ญเพียรให้บรรลุมรรคผลก่อ น, ก, อนก่อนออกพรรษาให้ได้ ถ้าในที่สุดท่านเหล่านั้นก็บรรลุมรคผลการหมดออกพรรษาแล้วก็เป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมว่าพระจะต้องไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามันมีลักษณะคล้ายๆรายงานเป็นการรายงานประจําพรรษาท่านเหล่านั้นก็ต้องไปตามธรรมเนียมซึ่งรายงานนั้นก็ไม่แน่อย่างในกรณียาเมตสูตรรายงานเพราะมีปัญหาอย่างในกรณีนี้ก็รายงานเพราะบรรลุผลตามที่ต้องการแล้ว พรจากคุบาลพระหมหาปาระท่านก็บอกว่าท่านเองนั้นไปไม่ได้หรอกเพราะในป่าที่เราเดินมานี่ก็เป็นทางเปรี่ยวธุระกันดานและก็มีเอามนุษย์สิงมีอันตรายมากมายเหลือเกินทั้งจากสัตว์ ร, ร้ายทั้งที่ทางเดินท่านเองก็จะเป็นภาระแก่คนอื่นพระตามองไม่เห็นก็ขอให้พวกคุณไปกันเถอะไปคว้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลพระพุทธเจ้าแทนผมด้วยผมก็ไปไม่ได้ ในที่สุดท่านเหล่านั้นก็พยายามอ้อนวอนด้วยประการต่างๆแต่ท่านก็ไม่ยอมไปก็ตกลงกันว่าให้ภิกษุทั้งห้าสบเก้ารูปนี้ไปก่อนแล้วก็ไบอกน้องชายคือจุลลปาละว่าท่านตาบอดเสแล้วก็ให้ส่งคนมารับแล้วท่านจะไปกับคนเหล่านี้เมื่อชาวบ้านเมื่อพระทั้งห้าบเกรูปไปบอกลาชาวบ้านชาวบ้านก็ขอร้องไม่ให้ไป แต่ในที่สุดก็ต้องยอมเพราะเป็นเหตุผลชาว บ, บ้านทั้งหมดก็รับบำรุงอุปถาพระหมหาป่าละอยู่ต่อมาท่านทั้งสี่สิบห้าสิบก้ารูปก็ไปคว้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปบอกท่านจุลการทูเป็นน้องชายถึงเรื่องราวทั้งหมดจุลการก็บอกว่าจะให้แกทํายังไงดีตอนนี้บอกให้ส่งคนไปรับท่านมาสักคนนึง จุลการก็ส่งหลานชายคนหนึ่งชื่อว่าปาลิศให้ไปให้ไปรับมาแต่ว่าหนทางกันดานก็กลัวอันตรายต่างๆก็ในที่สุดก็เอาปาลิศนี่บวชเนรให้บวชเป็นสามมันเนรก็บวชลำลองชอบคนอะ่ะก็ไม่ได้ศรัทธาจะบวชอะไรคือบวชเพื่อป้องกันอันตรายในหนทางแต่นั้นเองแต่ในที่สุดปาลิก็ไปถึงที่อยู่ของพระตอนนี้ก็เป็นจักกุบาลไปแล้วนะครับ ก็เรียนว่าลุงส่งแกให้มารับไปพระจากุบานก็ลาญาติโยมแล้วก็ออกเดินทางมาเมื่อเกิดปัญหาในระหว่างทางคือในระหว่างที่เดินทางมานั้นมาถึงที่แห่งหนึ่งสามเณนทึ่งจูงคือให้พระเถระกรรมไม้เท้าแล้วก็เณนก็ถืออีกด้านหนึ่งพระประจำอีกด้านหนึ่งก็จูงกันมาอย่างเงี้ยก็มี ผู้หญิงคนหนึ่งไปหักฟืนอยู่ในป่าแล้วก็ขับเพลงเสียไพเราะเชียวนเนรก็เกิดหลงเสียงนางขึ้นมาออกหลวงพ่อนั่งกอนแน่เหนื่อยแล้วก็แอบหลบเข้าไปหาผู้หญิงคนนัน้นก็เกิดสอนศีลมันกินกันยังไงไม่รู้ก็เสร็จเลยพระจักคุบาลท่านก็ตาบอดเด้ไม่นั่งเอได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลง แล้วเนก็หายไปหายไปไหนประเดี๋ยก็เนนก็มากลับมาท่านก็รู้ท่านก็ถามว่านเนรนี่ก็คงจะศีลวิบัติไปแล้วถามว่าเธอเป็นคนเลวไปแล้วใช่ไหมถามก็อันนี้ก็อิดเอื้อนอยู่พักหนึ่งในที่สุดก็บอกอนเนนก็บอกว่ามาไปเอเรารีบไปจะให้คํามพระติระไม่ให้จับไม่เท้าเลยทีนี้ไม่จับไม่เท้า บอกว่าคนอย่างเธอนั้นไม่สมควรที่จะมาจับปลายแม่เท้าเราคนเลวอย่างเธอทั้งใช้ปาโปเมื่อก่อนนี่แปล ก, กันว่าลาโมกฟังก็พิกลดีแต่แปลว่าคนเลวก็แล้วกันนิ่มๆหน่อยออคนเลวอย่างเธอนั้นไม่คู่ควรแก่การจับปลายแม่เท้าของเราเดนก็ไม่รู้จะทํายังไงก็จนแต้มอนันนี้ก็ไม่ใช่เน้นนะ เ, เลยก็เอเรื่องจีวรออก บาเมื่อก่อนนั้นผมก็เป็นเน็นเดี๋ยวนี้ผมไม่ใช่เน็นแล้วผมก็จูงได้ท่านใช้คำบาลีที่ไผเราะมากท่านใช้คำว่าอาวุโสสมนโนปิปปาปะสมนโนปิกิหิปาโปปิปาโ ป, ป, ป, าโปเยวะดูก่อนเธอไอ้นักบวชเลวชาวบ้านเลวมันก็เลวคือการนั้นแล้วก็เลยก็ตกลงว่าไม่ยอมให้จับ หลานชายเลยก็ขูวทีนี้ลุงจะอยู่ยังไงนะในนี้ในป่านะมีเสือมีอันตรายมากมายท่านตาบอดท่านจะเดินยังไงเดี๋ยวก็ถูกเสือกัดตายท่านก็บอกว่าเราจะนอนกริ้งเกลือกอยู่ในตรงนี้ถูกเสือกัดกามีอันตรายยังไงก็ตามแต่ว่าการไปกระเถอบไม่ได้เพราะความเป็นสหายในคนผ่านไม่มีนติบาเเรสหายตาเนี่ยที่เราตัดมาเป็นนติบาเเรสหายตาก็ตัดมาตรงนี้ คือจะนอนกริ้งเกรือกอยู่ประสบอันตรายหรือแม้แต่จะล้มตายและท่านย่ำสองครั้งนาถิบาเลสาจะตาสหายความเป็นสหายของคนผ่านไม่มีอันนี้ทํายังไงหลุงพ่อก็ติดอยู่ในป่าแล้วนายปาลิตก็ต้องตกใจนะฮะเสียใจมากเลยเลยก็วิ่งหนีกระเจิงไปก็ไปไหนไม่รู้ก็ในเรื่องไม่ในพบสงสัยจะไปแต่งงานกับสาวคนนั้นกันไะนาย ที่สุดก็ร้อนถึงเท้าสะกะเทวราชคือเล่นเอาบรรลังพระอินทร์ร้อนใ น, นเรื่องนี้ก็เห็นว่าพระเถระนั้นเป็นผู้รังเกียจป่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จริงๆเห็นผู้ที่ทรงจริงๆถ้าท่านไม่ขืนไปช่วยแล้วก็แย่แล้วทีนี้ก็ปลอมมาเป็นคนธรรมดาถามว่าพระคุณเจ้าจะไปไหนบอกจะไปสาวัตถี ก็ไปด้วยกันเถอะท่านบอกก็ไปด้วยกันเถอะท่านก็บอกว่าไม่ได้โยมอะมาตาบอดจะเป็นภาระแก่โยมยโยมไปเถอะท้าตกะปรอมก็บอกว่าไม่เป็นได้แล้วโยมก็ไม่มีธุระอะไรรีบรีบด่วนไปด้วยกันก็ได้เป็นเพื่อนกันก็นในที่สุดก็ไปด้วยเทวานุภาพนะฮะท่านอย่าลืมว่าเท้าพระจักกูบาล น, นั้นท่านเป็นพระอาหารจริงแต่ว่าอาหารสุ ข, ขวิบัตสสกก็ใช้ฤทธอะไรไม่ได้ ก็ต้องไปด้วยเทวานุภาพแป๊บเดียวก็ไปถึงพาร า, าวัตถีแล้วท่านก็เกิดสงสยัยเอ๊ะทําไมมันได้ยินเสียงเหมือนกับเมืองแล้วถามว่านี่มันมันเป็นเมืองเนี่ยทัตตะกะก็บอกว่าเป็นเมืองเมืองสาวัตถีท่านบอกว่าอัตมาออกตอนตอนเดินทางไปมันไกลนะแล้วก็เดินทางกลับมาไม่เท่าไหร่ทําไมถึงสาวัตถีล่ะทัตตกากก็บอกว่า ยมรู้ทางลัดไปมาได้ถึงเร็วหน่อยและในที่สุดก็ทำนำพระเถระไปให้นั่งที่ศาลาของน้องชายแล้วก็ไปบอกจุลปาระก็ต้องแปลงเพศอีกทีหนึ่งเป็นเพื่อนของจุลปาระและ้วไปบอกบอกเล่าตัวเองก็กลับพระเถระก็รู้ด้วยความรู้สึกวันนี้ต้องเป็นเทวดาจุลการมาถึงก็เห็นพี่ชายเช่นนั้นก็ร้องไห้กริ้งเกลืก้ ก็บอกก็เนี่ยผมบอกแล้วบอกหลวงพี่มาให้บวชแล้บอกแล้วเห็นอันตรายอย่างนี้เราจึงบอกให้หลวงพี่บวชหลวงพี่ก็ยังขืนบวชจนได้กนในที่สุดก็ทํำยังไงน้องน้องชายก็ไปสร้างกุฏิถวายแล้วก็ให้ทาตสองคนปลดจากความเป็นทาตแล้วก็ให้บวชอยู่รับใช้ะฏิระก็อยู่บริเวณพระเจ้ตะวันนะจะอยู่ด้านด้านนอกออกไปด้านใกล้เขตวัด ท่านก็อยู่ด้วยความปกติสุขแล้วก็ตกกลางคืนท่านก็เดินจงกรมของท่านเลยต่อมามีภิกษุกลุ่มหนึ่งมาจากต่างถิน่นบากว่าพระพุทธเจ้าเหมือนกันประเทศตะวันสมัยนั้นนาธ า, าบินธิกะเศรษฐีก็ตกแต่งให้สวยงามมากลงทุนถึงห้าิบสี่กฎพระก็เดินชมประเทศตวันกันเดินจนไปจมาบดีฝนตกท่านก็หลบกลับ เรคิดว่าพรุ่งนี้จะเดินต่อจะดูวัดต่อผลตกตอนหัวค่ำพอเที่ยงคืนมันก็หายพไะจากคุบาลก็ออกเดินจงกรมไอ้พวกมแมลงเม้าอะไรตอะไรนะฮะมันก็บินอยู่เต็มไปหมดเลยพระเถระก็เดินจงกรมเหยียบตายเป็นแถบไปเลยลูเกเงินเช้าภิกษุเหล่านี้ก็ไปเดินเห็นข้าวถามภิกษุที่เป็นลูกศิษย์ ว่าใครเดินจงกรมที่นี่พระสุก็บอกว่าเป็นอุปัชายะของผมเองท่านเหล่านี้ก็ก็พอสมควรเหมือนกันนะแต่ท่านบอกว่าเนี่ยคือทําอวดดีอีตอนตาดีๆไม่ทําความเพียรประตาบอดแล้วมันเดาะทําความเพียรไปเหยียบสัตว์ตายเป็นนั้นมากเลยไปฟ้องพระพุทธเจ้าเลยบอกพระจักษ์คูบาลเดินจงกรมมันเหยียบสัตว์ตายเป็นตับๆไปนะพระเจ้ารับสั่งถามมันเคยเห็นเถอะ พิสูจบอกไม่เห็นนะพระเจ้กาก็รับสั่งมาจากคุบาลเขาก็ไม่เห็นเหมือนกันเจตนาในการฆ่านั้นย่อมไม่มีแก่พระอรหันต์ทั้งหลายหรอกเธอพิสูจก็ตกใจนะฮะไปอบรมพระอรหรันต์ใชหน่อยแนละ้ววางมาดเลยก็กลาบทูลถามว่าคนที่มีบา ร, รมีเป็นพระอรหันต์เช่นนี้เนี่ยทาไมจึงต้องตาบอดด้วย พระพุทธเจ้ารับสั่งว่านี้เป็นพระบุพกรรมของเธอที่ทำไว้ในอดีตการ์ภิกษุตั้งหลายก็กราบทูลว่านในอดีตการนั้นพระจักกุบานได้ทําบะประกรรมอะไรเอาไว้พระพุทธเจ้ารับสั่งว่าในอดีตการนานไกลเจ้าพรหมทัต ส, สวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีท่านผู้นี้ได้เกิดคือพระจักกุบาลในชาตินั้นได้เกิดเป็นวหน้าครอบครัว พอดีก็เป็นโรคตามองไม่เห็นก็มีหมอมาอาสาจะรักษาให้แต่ตัวเองก็ฐานะก็ไม่ค่อยดีอะไรหมอถามว่าเมื่อรักษาหายแล้วท่านจะให้อะไรก็บอกว่าพวกข้ขาข้าพเจ้าพร้อมด้วยบุตรพัญญาทั้งหมดเนี่ยจะยอมเป็นทาสรับใช้ของท่านหมอก็หยดให้ยใหยดยาไม่กี่คราวหาย หายคนป่วยชักจะเบี้ยวแล้วทีเนี้ยเอ้อเราไปให้คำ ม, มั่นสัญญ า, าไว้อย่างชะกาดชะกันจะยอมเป็นพาดรับใช้ทั้งครอบครัวเนี่ยถ้ า, าอย่างนี้แล้วเราก็แย่เลราะฉะ น, นั้นก็เลยบอกไม่หายหมอเองเขาก็พอรู้นะฮะรักษาหายหรือไม่หายพอ ม, มาสอบถามบอกโอ๊ยมันเสียดแทงกว่าเดิมน้ะเมื่อก่อนนี่ฉันยังมองเห็นอะไราลางๆานนี้มองไม่เห็นเลยนะคุณทาผมแย่แล้วทีนี้ หมอก็รู้จับไยได้ว่านี่จะเบี้ยวแล้วก็เมื่อเบี้ยวก็เบี้ยวมันก็ล้มรางวัลกันเลยก็แล้วกันนะก็ น, นในที่สุดก็ไปบอกเมียหมอนะไปบอกเมียบอกว่าเห็นจะต้องปรุงยาดับตานาย น, นี้จสักทีเมียก็เฉยเขาไม่พูดด้วยเขาไม่เล่นด้วยแต่ว่าหมอนี่ไม่เอาแล้วก็เลยก็ปรุงยามาบอกเอาคุณยอดยาขนาด น, นี้ก็นแล้วกัน แล้วยาตาเนี่ยจะหายพอยอดปั๊บก็ปุ๊บเลยเรียบร้อยตาก็บอดดับสนิททีนี้ดับจริงๆเลยแล้วก็รับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบาปที่บุตรของเรากระทาในคราวนั้นได้ติดตามบุตรของเราไปข้างหลังไปข้างหลังอยู่ตลอดบาปที่เธอกระทาจึงติดตามเหมือนกับ ล้อกเวียนที่ติดตามรอยเท้าโคไปแล้วเมื่อในที่สุดก็มาให้ผลแก่เธอในชาตินี้นั้นในที่สุดก็รับสั่งภาษิตดังที่กล่าวแล้วคือมโนปุบังกมาธรมามโนเศรษามโนมยามนัสซาเจปุทเทนะพาติวากโรตีวาตโตนังลุกมันเวทิจักังวะวะโตประดังซึ่งแปลเป็นใจความว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จมาแต่ใจแต่ใจ ถ, ถ้าแปลจำนวนมารีก็ว่าถ้าใจอันโทษประทุษร้ายแล้วแปลยากคือถ้าใจถูกกลุ่มรุมได้กิเลสแล้วจะพูดก็ดีจะทำก็ดีความทุกย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคล น, นั้นและบาปก็จะติดตามบุคคล น, นั้นไปเหมือนล้ อ, อกเกวียนติดตามรอยเท้าโคไปเช่นนั้นเรื่องนี้ท่านทั้งหลายจะพบว่าเน้นไปที่จุดสำคัญคือใจ ใจเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตของคนพฤติกรรมของคนล้วนสะท้อนมาจากจิตผลที่เกิดขึ้นแก่คนจึงเป็นผลที่สะท้อนจากจิตส่วนจะสะท้อนจากจิตที่เป็นอนดีตรหรืออนาคตก็ตามแหละแต่มันก็สะท้อนมาจากจิตเริ่มต้นจริงๆก็มาถึงจุดของความศรัทธาเรื่อมใสเป็นลักษณะความเชื่อทั้งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ก่อนพุทธสมัยนะฮะ กูดุมพีที่ชื่อว่าหมาสุวรรณที่ว่านี้เป็นเหตุการณ์ก่อนพุทธสมัยแต่ว่าท่านก็เล่าย้อนขึ้นไปให้เห็นเรื่องความศรัทธาเชื่อถือของคนที่มีอยู่ในสมัยนั้นก็จะกระทําอย่างนั้นโดยความเชื่อถือว่าสิ่งเหล่านั้นสามารถอํานวยประโยชน์สวกให้แก่ตนได้นี่ร่องร้อยของความเชื่อถือความคิดของมนุษย์เราจึงมันมีลักษณะมุนคือวนอยู่กับที่อย่างนี้เอง ปัจจุบันนั้นคนที่ไปไหว้ต้นกล้วยที่แตกปรีอยู่กลางกอกล้วยมันก็ยังมีอยู่นะไหวไ้ไอ้ไอ้งูที่เขาหลอกว่าเกิดมาจากคนก็ยังมีอยู่หรือไหว้กันได้แต่แสดงให้เห็นถึงว่าเมื่อความไม่รู้ยังมีอยู่ภายในใจมันก็แสดงอะไรไปตามพื้นฐานของความไม่รู้เพราะงั้นโกุมพีมาสุวรรณท่านก็แสดงไปอย่างนั้น ใกล้ๆกับเรื่องธรรมบาล・กุ ม, มารอย่างที่ท่านเคยฟังในเรื่องตำนานท้าสงกรามมันก็มีแนวเดียวกันแต่พอดีไอ้ยคยจังหวะจากคนยังไงก็ตามแนหะก็ทํางก็ได้ลูกกันแต่ลูกนั้นเราจะมองเห็นถึงจุดหนึ่งของคนในสมัยนั้นคือความสานึกคุณความสานึกคุณนั้นสูงเหลือเกินท่านถือว่าลูกของท่านนั้น เป็นผู้ที่เทวดาประจำต้นไทรประทานให้รักษาคุ้มครองจนเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ไปบูชาต้นไทรแล้วก็ตั้งชื่อตามต้นไทรคือไม่เบี้ยวเหมือนคนสมัยนี้ที่อำเภอร่อนพิบูร์ที่นครศรีธรรมราชมีศาลเดียวานันึง่นจด้วยไม้เล็กๆอ่ะไม้รูแหน่ง ศาลเจ้าพ่อรู้สึกเจ้าพ่อเขาแดงแลขลังมาสมควรต่อมาศาลแก่พังก็มีคนไปบน่นขอให้ถูกหวยแล้วจะสร้างศาลให้ไอสัญญาคงไม่ได้ทําำไงตกลงอะไรกันเรียบร้อยก็ปรากฏว่าถูกจริงถูกหวยจริงนายนี้ก็เอาไม้ระแนงสีดุนไม้ระแนงสีดุนมาทําเสาไม้รมแะแนงดามข้างด้านละสีอัน ก็ทำเป็นสี่เสาปักอย่างนั้นแล้วก็เอาไอ้สังกสีราคาไม่กี่ตังไปปิดแหาเจ้าพ่อเขาแดงเสียเชิงเทวดาหมดเลยคราวนั้นเลยไปเข้าสิงคนไปร้องไห้เสียใจแมอนี่ไม่น่าจะต้มกูเลยมันบอกมันสร้างศาลนะมันสร้างให้จริงแต่มันสร้างอย่างนี้มันจะอยู่ยังไงเนี่ยเทวดาบางทีมันก็เสียเหลียมเกก็โง่โง่เสือๆองนีเทวดา <c oughs> ทีนี้เทวดานี้ก็ดีหน่อยนะฮะคือสรุปสรุว่าท่านก็ช่วยได้คือจะช่วยได้หรือไม่ได้ก็ตามบางทีมันก็เป็นความบังเอิญ น, นะฮะเป็นความบังเอิญที่เกิดขึ้นโดยไอ้ความสํานึกที่ดีงามของท่านแล้วท่านก็ปฏิบัติตามนั้นได้ แ, แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของคนนะคืออย่างน้อยก็คนสมัยก่อนเขาก็ซื่อสัตย์ ซื่อสัตว์เราดูร่องรอยของความซื่อสัตว์ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เราจะเห็นได้ชัดมากเลยว่าคนสมัยก่อนนี่ซื่อสัตว์มากลแล้วก็กาันตอยู่สูงคือความสำนึกคุณแม่แต่ต้นไม้ยังภาษิท์ในอัตกถาชาดกไม่ใช่ชาดกในเปตาวิเอเปตวัตถุเตือนแสดงว่าบุคคลนั่งนอนภายใต้ร่มเงาแห่งต้นไม้ใดไม่ควรหักกิ่งแห่งต้นไม้นั้นเพราะผู้กระทําเช่นนั้นเป็นผู้ประทุษร้ายมิตร ซึ้งขนาดนั้นนะคือซึ้งขนาดว่าเคยได้รับเงาจากต้นไม้ใดได้รับความอุ่นจากต้นไม้ใดจะไม่ต้อ จ, จะไม่ทำลายกิ่งของต้นไม้นั้นประการกระทําเช่นนั้นเป็นการกระทําของคนเลวซึ่งประทุษรายมิตรและในประการต่อไปก็คือเรื่องซึ่งท่านจะเห็นว่าในการมองปัญหามันก็อยู่ที่ใจอยู่ที่ใจการที่คนเดินไปวัดนั้นก็นเดินกันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าจนถึงทุกวัน แต่คนที่จะสนใจแล้วขอตามไปด้วยนี่น้อยน้อยเลยเกิดมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ชี้ใจเพราะถ้าหากว่าใจไม่มีความโน้มน้อมไปหาธรรมะแล้วประตูวัดเปิดรอบทิศก็คนไม่เข้ามันดันประตูวิทย์ทั้งทา้งเด็กก็ปิดไว้แน่นมันดันก็ไปจนได้บางทีก็แย่งเข้าไปกระเหย็บกันบาดเจ็บก็เอาไปเสริมก็อี้ก็เอาไปยืนเบียดก็เอาบางคนมันก็แปลกอย่างเงี้ยก็โลกมันก็เป็นอย่างนี้เอง เพราะงาั้นในกรณีนี้จะพบว่าเอกคนที่เดินมาเป็นแถมมันก็มีคนเห็นใจแต่ไม่มีใครสะดุดพอถึงมหาปาระท่านสะดุดท่านสะดุดท่านเข้าไปไปด้วยความสนใจด้วยความตั้งใจด้วยความศรัทธาการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าก็พุ่งไปที่ใจขจายของท่านซึ่งท่านสามารถจะเห็นตามรู้ตามธรรมะได้ แล้วในที่สุดอาการบวชกนนั่นเองการตัดสินใจพิจารณาธรรมะเองว่าถ้าจะเอาเป้าสูงสุดคื อ, อ่าลืมมันเป้ามันหลายเป้าในพุทธศาสนาถ้าเอาเป้าสูงสุดจริงๆแล้วอยู่ในแวดุงอย่างนั้นโอกาสไม่อำนวยให้ในชีวิตของผู้ครองเรือนจึงบำเพ็ญเพียรมาได้จนถึงเป็นพระนาคามีก็อยู่บ้านนะฮะพอบรรลุอรหัตเ็กที่จึงบรรลุอรหัตได้ แต่ว่าก็ต้องบวชเท่านั้นเองเพราะไม่เหมาะที่จะอยู่ในโลกแล้วคืออยู่กับชาวโลกหรืออยู่แบบชาวโลกแล้วก็ต้องอยู่อีกแบบหนึ่งของสมณะหรือของพระอริยะทั้งหลายทีนี้มาถึงท่านกับ น, น้องชายก็อีกแหละคือจุลกาลจุลปาละกับมหาปาละมองปัญหาคนละมุมกันอีกคือทั้งท้งที่ก็ต่างคนต่างก็มีใจแล้วก็เป็นลูกพ่อแม่เดียวกันนะเป็นพี่น้องกันแล mm. อยู่ด้วยกัน แต่มองปัญหาในมุมเดียวกันมองในคนละแนวจุลการเองนั้นมองเห็นว่าไม่ต้องบวชหรอกทําความดีก็ได้ก็อยู่ที่บ้านนี่ก็พอแล้วนี้ก็มองในลักษณะที่หาความสุขในทิฏฐธรรมคืออํานวยความสุขในทิฏฐธรรมในชาติปัจจุบันมันก็เป็นการตกแต่งภพชาติซึ่งไม่ใช่เป็นการมองที่เสียหายอะไรแต่พระเป้าท่านเองท่านไม่ได้สูงขนาดนั้นท่านก็มองเอาแค่นั้น แล้วก็เงื่อนไขในการต่อรองว่าเอาให้แก่ก่อนดีกว่าทล้งพี่ดึกบวชแต่ว่าหมาการมองอีกแนวหนึ่งคือคนมีบา ร, รมีมันมองอีกมุมหนึ่งน้วมันจะเอาอะไรอีตอนพี่แก่แล้วขนาดตัวพี่เองอยังเอามาอยู่ยจะราบัางครอบงามขนาดมือเท้าก็เรียกอนัตสวานะคือบังคับบังช้าไม่ได้มันจะลุกขึ้นบางทีก็แทนที่จะเอาตัวขึ้นเอาหลังขึ้นะมันก็เอามาไม่ได้ก็เลย ในที่สุดท่านก็บวชท่านก็บวชมันก็พอบวชแล้วมันก็อยู่ที่การตัดสินใจค่ะว่าเราจะไปทางไหนหนึ่งทางก็มีอยู่สองทางทางหนึ่งคือการถัุระเป็นปันบันไดที่ปูทางไปเพื่อเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมเสียก่อนให้มีความรอบรู้เสีก่อนแล้วจึงใต่ไปที่วิปัสสนาธุระ แต่ถ้ามันไม่อํานวยอย่างอายุไม่อํานวยเนี่ยมันก็ต้องเลือกเอาสักอย่างคือต้องเอาวิปัสสนาธุระพระเจ้ากุบาลท่านก็เลือกเอาตรงนี้ตอนนั้นที่ที่จริงท่านยังเป็นมหาบาลเนี่ยนะฮะมหาปาละมหาปาระที่แปลว่าคุ้มครองรักษาเนี่ยเพราะงั้นคําในภาษาไทยคําหนึ่งที่ที่น่าดูที่สุดคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปว่าเลี้ยงดูรักษาโรคเอาไวใ้ให้จเจริญเติบโต เป็นภาษาที่แปลกที่หลุดมาได้ไงไม่รู้แล้วก็ใชใ้กันได้สนิทสนมดีฮะนางพยาบาลก็คือคนเลี้ยงโรคเหมือนกับโคบาลเรียวคนเลี้ยงโคนะฮะโคบานนะคนเลี้ยงโคปลารับเรีว่าเลี้ยงคุ้มครองรักษาที่จริงถ้าบานบำบัดเรียวขจัดมันต้องสะกดด ร, รเ อ, อเร์เรือเรีบำบัดหรือวขจัดตีสมเด็จพระสังฆราชเจ้าท่านใช้ตึกสามังคีพยาบาลที่จุฬาเนะี่ยอันนั้นได้ถูกจริงจริงไ แปลว่าบำบัดขจัดโรคแต่เราก็เลี้ยงโรครักษาโรคเอาไว้แต่ก็หมอไม่ทำอย่างนั้นนะฮะหมอไม่ทำอย่างนั้นนอกจากว่าคนไข้รวยๆหน่อยอเรื่องจะเบี้ยวเรื่องจะเบี้ยวคนป่วยจะหน่อยทีนี้ก็มาถึงตอนต่อไปก็คือท่านก็เลือกะฮะก็เป็นเรื่องของใจท่านเองว่าท่านท่า น, ท, านท่านวิเคราะห์ตัวเองว่าท่านนั้นจะไปได้ทางไหนท่านก็เลือกเอาเฉพาะทางที่ท่านไปได้ ปัญหาในหมู่พระเรามันก็อยู่ตรงนี้คือบางคนในทางสองทางไม่ยอมเลือกสักทางอีตอนนี้ตอนยุง่งที่จริงคนแก่ๆที่บวชมานั้นถ้าเลือกวิปัสสนาธุระและ้วนี่ดีฮะแต่ส่วนมากแล้วมันมันไปเลือกเอาทางไห้จุ่นจนันคือไม่เป็นทั้งกันธธุระแล้วไม่เป็นทางวิปัสสนาธุระก็นั่งวางมาศวางม า, างมาศบางทีบวชไม่ถึงสมเดือนโอยสงหาจะตายนะเหมือนเจ้าคุณสั ฉันเทพชั้นทำไม่ได้เนี่ยคือเป็นปัญหาเรือไม่ไปสักทางหนึ่งแต่พระหมหากานท่านไปก็ท่านทางอง่นท่านหาปาระท่านก็ไปก็ทางนี้ประการต่อไปก็คือการเดินนะฮะการเดินทางไปปฏิบัติซึ่งท่านเห็นว่ามันก็จะระดับใจอีกอะระดับใจชาวบ้านเองนั้นก็มองเห็นมุมประโยชน์หนึ่งก็การทําบุญคือตัวเองจะได้ทําบุญแล้วก็สองตัวเองจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมะ เพนั้นตรงก็ได้ประโยชน์อะไรจากพระมากเหมือนกันและพระเองท่านก็มองอีกบุมหนึ่งว่าท่านก็ได้ประโยชน์เหมือนกันคือจะไม่เดือดร้อนในเรื่องปัจจัยสเพราะปัจจัยสี่นี่มันก็เป็นปัจจัยสนับสนุนในการมาเป็นเพียงของท่านก็ต่างคนต่างก็อาศัยใจคือความตกลงใจความปรองใจความตัดสินใจของแต่ละท่านก็ในการโอวาท น, า, นาศึกษานะฮะ ว่าท่านใช้คําว่าสําหรับบุคคลผู้ประมาทแล้วก็เหมือนทําอบายทั้งสี่ให้เป็นเรือนที่อยู่อาศัยของตนสกะคาะะเรคือเป็นเรือนที่อยู่อาศัยของตนซึ่งเป็นการยืนยันว่าคนที่ตกอยู่ในความประมาทนั้นมันก็คือเตรียมที่จะก็ไม่ใช่เตรียมที่จริงมันก็สร้างอบายตั้งแต่ในชาติปัจจุบัน แล้ก็พร้อมที่จะตกกรบายในการต่อไปและอีกประการหนึ่งคือเรื่องสำนึกที่น่าคิดนะคว่าพวกเราเรียนพระธรรมบินัยบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ยังดำรงพระชนอยู่มันก็ควรจะฉกฉวยโอกาสฉกฉวยโอกาสที่พระพุทธเจ้ายัางดำรงพระชนอยู่แล้วก็ไอเดียแรงของเรายังมีอยู่เนี่ยมาศึกษาพระพฤติปฏิบัติไปในสัจจิกะชุ ด, ดง คือตูดงที่เกี่ยวกับการนั่งเป็นวัดนะฮะเพราว่าที่จริงก็เป็นวัดจริยาพิเศษที่ทรงประทานเอาไว้ไม่ใช่บังคับไม่ใช่วินัย น, นะฮะเป็นวัดเขาเรียกวัดคือข้อปฏิบัติที่ใครจะปฏิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้่ใครชอบใจพอใจจะทำอย่างนั้นก็ได้ก็มีพระบางองค์เยอะไปเลยเนี่ ย, ยาบางองค์ไม่ตั้งแต่บวชมาไม่เคยนอนเลยก็นั่งอย่างนี้ วันก่อนนี่หลวงพ่ออะไรจากพระถลุงนี่ตรงนี้รู้สึกเกิดสิบหกสิบเจ็ดรรษาแล้วก็ยังไม่เคยนอนนะแต่ว่าบางทีไอ้ไม่นอนเนี่ยมันเป็นมานะะรับมันแทนที่มันจะลดกิเลสมันไปเพิ่มกิเลสตัวมานะมันนั่งส ง, ง่าในวางเบ่งไอ้พวกนี้กลางกลางคืนนอนมันสู้ขาไม่ได้ขาไม่นอนเลยกิเลสไม่ร่วงสักทีนึงอันนี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันว่า ในการปฏิบัติวัดแนวนี้มันพร้อมที่จะหักกลับไปอีกมุมหนึ่งคือเป็นมานะไปการดูหมินม่นบุคคลอื่นโดยโดยหลงตัวเองที่จริงมันเป็นวัดเท่านั้นเองเป็นวัดว่าถ้าใครเป็นสับปะยะวยเรื่องนี้คือหมายความมันสะดวกสบายด้วยการกระทําอย่างนี้ก็ทําไปทํำไมทําไมทําทก็แล้วไปไม่ได้ว่าอะไรเพราะเป็นเพียงอุบายวิธีอย่างหนึ่งเท่านั้นเอง การต่อไปก็คือเรื่องของไอสัตว์จะของท่านเนี่ยเขาท่านเรียกกรัชกายนะฮะการัชกายก็แปลว่ากายที่เปื้อนด้วยทุลีคือปรึกษาตัวเองถามใจตัวเองก็ถามแล้วท่านก็ตอบเองฮะแล้วท่านก็สอนตัวเองถามตอบเองสอนตัวเองแล้วในที่สุดมันก็ท่านใช้คําว่าไอชีระตุคือมันมันมันมันแก่นะฮะแก่แล้วก็หายตุคือจงเสื่อมไปจนถึงพิจตุจงแตกไป กีใช้คาตั้งกรรมว่าร่างกายนี้ตาหูอะไรก็ท่านเนี่ยท่า น, ทานเริ่มที่ตาเริ่มที่ตาแล้วก็เริ่มที่ร่างกายของท่านจะหลอดถึงไอ้กายไอ้สันเดโห ค, ค, ค, คือคือคือร่างกายทั้งหมดเนี่ยมันจะแตกทําลายไปก็ช่างมันมันจะเสื่อมไปมันจะมันจะคล่าคร่าไปมันจะเสื่อมไปมันจะทําลายไปก็ช่างมันแต่ว่าเธอต้องเป็นผู้ไม่ประมาทนะสอนตัวเองนี่เก่งดีเเนี่ยคน ร, ระดับจะเป็นพระอรหันต์ท่านลองดูแนวคิดของท่านกันแล้วกัน ท่านมองปัญหาทั้งหมดนั้นเป็นการมองปัญหาหมุมเดียวกับที่คนหนึ่งเขามองทั้งหมดแต่ท่านมองอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งและในที่สุด <c oughs> ก็มาถึงจุดหนึ่งซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นไอ้ความหลากหลายของจิตนะฮะความแตกต่างของจิตคือสามมเดินปาลิตแต่วันนึ่งก็เทียบไม่ได้นะฮะองหนึ่งท่านเป็นพระอาราหารันต์าำเดินปาลิตได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงแต่นั้นไปเลย ไปเลยถูกเสียงนางสะกดเลยชิงไม้เทา้าหลวงตาเลยลุงลุงเลยไปเลยก็นี้มันก็ตรงกับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ในเอกนิบาตว่าดูก่อนวิสูตรทั้งหลายเราไม่เห็นเสียงรูปนะฮะรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑอย่างใดอย่างหนึ่งที่ครอบงาใจของบุรุษได้ถ้ากับรูปเสียงกลิ่นรสผุทธภของสตรีแต่ว่าในทํานองตรงกันข้ามือนกันคือหมายความว่าก็ไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภอย่างใด ที่จะครอบงำใจของสตรีแล้วก็ตั้งอยู่ได้เหมือนกับรูปเสียงกิริฏุทภาของบุรุษมันก็คือคือกันมันก็โลกอันนี้ก็เป็นจุดจรจะพบว่าเสียงนั้นอย่างที่เคยเล่า ว, ว่าพระองค์หนึ่งฟังเสียงผู้หญิงร้องเพลงเหมือนกันพิจารณาตามบรรลุอรหัตเลยอง์นี้ก็ขันแตกองนั้นก็มีขันติก็ไปได้และอีกจำนวนหนึ่งที่ดีมากนั้น คือที่ทั้งท่านใช้คําว่าอาวุโสสมณะปาโปปิฮิปาโปปิปาโ ป, ป, าโปเย ว, วะก็อาวุโสนี่แปลว่าเธอนะครก็อันนี้ก็เป็นคําที่เพี้ยนทอบกลเมือกันในเมืองไทยเนี่ยอาวุโสน่นหมายถึงผู้น้อยคุณหรือมึงหรือเองอะไรก็แล้วแต่จะใช้อ่ะคเนี้ยคําเรียกธรมธรมดาธรรมดานี่ยแกเธออะไรเนี่ยเป็นสรรพนามแต่เราตะอาวุโสแล้วต้องเป็นผู้ใหญ่ไม่รู้ออกมาจากไหนเหมือนกันก็แปลกดี คืออาวโสอาจจะเอามาจากคำแปลที่เราแปลสมัยก่อนเราแปลผู้มีอายุผู้มีอายุก็คือคุณคือเธอคือเองคือคือแกก็แล้วแต่จะเรียกนะฮะเป็นคำที่ผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยอาวโุโสสมณะเลวนะสมณะปาโปกับสมณะเลวกระดือหัดเลวมันก็เลวเหมือนกันเพราะว่าในความเลวเนี่ยจึงไม่อยู่ที่ว่าเป็นอะไรแต่อยู่ที่ทํำยังไง ก็ อ, อาจจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ได้แต่ถ้าเลวมันก็คือเลวนะฮะอาจจะอยู่กระต๊อบอะไรก็ได้แต่ถ้าดีก็คือดีไอความเป็นคนเลวคนดียังไม่ได้อยู่ที่เพศที่ภาวะแต่อยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่ความประพริอยู่ที่การกระทาของท่านเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จึงถือว่าก็เลวด้วยกันเลวโดวยการเหมือนกับที่ทรงแสดงเรื่องคนผ่านไว้นะฮะคือคนหนึ่ง ล่วงเกินเขาแล้วไม่ขอโทษอีกคนหนึ่งก็ขอโทษแล้วไม่ให้อภัยเป็นผ่านใครผ่านมากกว่าก็คือการ น, น, นั่นนะก็มาแต่เพาเดียวกันมันกลุ่มเดียวกันคู่เดียวกันเพราะงะั้นไอ้นี่ก็ก็เหมือนกันคือทําอย่างเงี้ยคารวะก็เลวพระก็เลวคือส ม, มณะปาโปคือส ม, มณะเลวเป็นคารวะเลวเพราะงั้นไอ้ถ้าเป็นคารวะเลวมาบวชพระมันก็เลว บวพระเลวมศึกไป ม, กมันก็เลวมันก็เลวกับไปกลับมปอยาเงี้ยพอเงี้นมันก็น้ําเทไปเทมาเมื่อน้ําขุนอะเทไปเทกลับไปกลับมาอยู่แต่นั้นเองนี่ก็อีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งนั้นคือจุดของเรื่องนะ เ, เวลาจะหมดจไอจุดของเรื่องก็คือเรื่องของเจตนาซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าตัวเจตนานั้นเป็นกรรม ไปการที่เราสมาทานศีลไปแล้วไปเดินเหยียบมดตายหรือว่าไปนอนทับยุงตายอะไรอย่าไปแกล้งทับกันไงคือไม่ได้ถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่ได้เป็นบาปอะไรเพราะฉะนั้นพระพุทธดํารัสที่ตัด ต, ตรงนี้ตัดได้ไไฟร้อแต่แต่เราจะเห็นว่าพระเราในบางทีพระเหล่านี้ต่อมาเนี่ยถ้าบรรลุอรหัสนะฮะแต่ว่าเวลาท่านใช้ถ้อยคําปรารบคนอื่นไม่มองปัญหาพระหมู่มากเลยมองปัญหาพระหมู่มาก นี้มีตอนตาดีๆไม่บำเพนเพียนเมื่อตอนตาบอดแล้วมันยังบำเพนเพียนเหยียบสัตว์ตายาเลยพ้องเลยคือคือคือมองปัญหาที่มุมอับๆแคบๆนะฮะคนเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ต้องเทศโปรดเบิกสติปัญญาสร้างความสว่างสวัยขึ้นมาภายในจิตใจของท่านนะจนท่านก็เข้าใจได้าพอดีเวลาหมดเรื่องนี้ต้องมีต่อนะมันต่อไป แลก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้นะขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน